คือตัวชีวิตเราทุกคนเช่นหนุ่มหวานามไฟให้ไม่เมือหลังกาไฟมันเกิดที่หนุมวานเองถ้าเมื่อมันมีไฟไหม้เบืองกากคนก็ดับไฟการให้คนอื่นดับมันก็ไม่สำเร็จ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 อยากให้ปใหญ่ก็หลงอยู่ที่เราเราก็เชื่อยังไม่ไปหลังเห็นเอาหางตัวเ อ, องมาอมแล้วก็ทำได้เพียงแต่มีสติมีความเพียรมีศรัทธามีปัญญานั่งอยช่เฉยก็เชื่อได้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 อย่างครบรอบหลวงปู่เทียนร้อยปีเอาอะไรไปืี้วัด จ, จึงแจดอบอกว่าร้อยปีถ้าอาปีปัจจุบันตั้งเอาปีเกิดมาลบมันก็เหลือร้อยเราก็มีเจดันงนี้ตอบได้มันมีเจอย่างนี้มรามันหลงจึงลูกไม่ใช่เราไป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 มีผมโลคมีสวรรค์หกชั้นมีผมโลกถึหกชั้นอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยมีนิพพานอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยแต่ทำไมจังมีพวกผูงต่างๆมันก็อยู่ที่กรรมอยู่ที่กรรมคือกรรกระทวาวสุก็ยังติดก็ติดมันยากยากมันสซโบรี เห็นเล่ า, ก, าก็มการคนทำเชั่ ว, ก, วก็มัการเข้าไปทำเรื่องนั้นไปคิดเรื่องนั่นไปพูดเรื่องนั่นแล้วก็ติดเค ย, เ ค, ยคิดเรื่องใดไม่เคยเปลี่ยนเคยฉุกเรื่องไหนไม่เคยเปลี่ยนเคยทุกข์เรื่องไหนไม่เคยเปลี่ยนเคยหลงเรื่องใดไม่เคยเปลี่ยนเวลาเรามาทำกรรมาฐานมาันมาเข้าชิวให้เราแก้มานะให้เราเปลี่ยน นั่งเฉยๆก็เปลี่ยนนั่งแช่ได้ไม่มีวัตถุที่หนึ่งที่สองพอแล้วเอาุดสมมติี้กายี้ใจเอาไว้เพื่อทับานอันนี้ไม่ใช่เพื่ออันอื่นใช้กายเป็นกรรมใช้กายเป็นกิเลสใช้กายเป็นบาปก็ช้ำได้ใช้กายเพ่ มีกรรมใช้กายให้มีกิเลสใช้กายไม่เป็นวิบากก็ได้เป็นกอบเป็นกรรมยิ่งเราปฏิบัติธรรมมันก็บังให้แก่แล้ะมันก็มีหลงถ้าหลงอ ย, อ, ย อ, ยรรอยู่เรื่อยก็เป็นกรรมถ้าโชคอยู่เรื่อยก็เป็นกรรมถ้าโชคอยู่เรื่อยก็เป็นกรรมแล้วก็เปลี่ยนให้เป็นรูปมันหลงรูปเส้นกรรม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 80% ดบอป็นต์ต้องเหตบางชีวิตเลยทำให้เกิดปัญหาเจ้ตัวเองสุขภาพนั่นการปฏิบัติธรรมนะ <c oughs> ม่ยงนจึงเป็นแค่ตัวอย่างก็เชื่อทั้งหมดในโลกเนี่ยแก้ปัญหาตัวอง่างวก็เชื่อไปทั้งหมดคือกายคือใจ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 ก็หลงก็ามาน่าจะหลงาะมนันทุกข์ก็มาน่าจะทุกข์ทุกข์พราคนอื่ น, นสุขเพราคนอื่ น, นอาศัยไปห้อยไปแฉนกับคนอื่นมากทีเดียวเลยสมัยก่อนจับผิดจับทตกเพราะใจครับอ่านอนอันนี้เอากำหนดมาขี้วัดยีไปห้อยไปแฉนไปเอากายเอาใจเป็นสุขเป็นทุกข์เฮย้ย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 อยนั้นะโอมันกระโดด เ, เลาเดี๋เรามาเห็นแลนยนะกระโดดที่สุว่าทุกเนี่ยเราว่าทุกเนี่ยดูชีสุดหัวใจเลยกรตือนตะโลนนะกระโดดตรงที่มันหลงกระโดดต้นที่มันทุกกระโดดตรงที่มันผิดได้ไกจว่า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 เชิดชาผภูมใจในเรงนี้กันมากชีวิตของเรานะ่นไม่มีอะไรที่ปเปัสเห็นทุกเห็นอินบัศเสดของที่อินบัเสจะได้พ้นมันจะไม่พ้นทุกแลวก็ไม่บัศเสอะไรคิดของเราแนละ้ว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 ไข่ ค, คนแก่แช่โซ่หลุดไปก่อนสนุกระเบิดโล่งกว้างเป็นธรรมมาทิ่ปฏายโยกรก า, าทิ่ปฏายอัตตาทิ่ปฏายมีจิทธิอัตตาทิ่ปฏายันหลงนิสิไม่หลงทว่วมหลงไม่เป็นธรรม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 สำเร็จลงในชีวิตที่เราม่อยู่ดนะังอยา่าประมาไทไปไว้สักหน่อยรีบตรวนสักหน่อยไหว้ต้องไหนแล้วมันหลงรู้ไว้วอาศัยกรรมฐานช่วยมันมีมีเครื่องมือเยอะย ะ, ยะก็เพียรศรัทธาสติปัญญาฉันทะ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 อันหลงใครหลงก็บหงือนันโกรธใครโกรธก็บหมันทุกข์ก็เหมือนกันหมดไม่มีแก่ไม่ไม่มนองสติก็เหมือนกันหมดนะตอนที่พระเจ้าตะโกนชวนอยก่อนไม่ชวนต้องหน่อยดูก่อนไม่จงหน่อยพระเจ้าวันนี้ผ่านงานไปแล้วแก่คําศรจังสมปรารถนาอย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 เดี๋ยวนี้มันอะไรเกิขึ้นเลยต็อะไรยแต่เด่นก็เหยียบไม่ได้ <c oughs> น้าก็ดื่มไม่ได้อากาศก็หายใจไม่ได้อาหารก็เป็นอย่างไงหวานไปลงหวานจานตุ้มเบ่าผ้าปิดปากบังประหายใจไปเลย <laughs> ให้เราเพื่อนหวานะเอาผ้าปิดปาก จะพูดตลอดก็เออต้องอกว่เคยใชมนกว่าิดปิดเด็ดปิดปิดฮาฮา่อขน้นะโลกเดชะใครเป็นคนทำมนุษย์เนี่ยแหละคนนอนอืมีสุกโตเนี่ยเหยียบได้แผ่นน็ตไม่มีสารพิษใดๆเลยเหยียบได้ที่อื่นจะไปเหยียบนะจะไปสารพาก็นเดินท้ากระต่า เอาหมอตรวจเลือดไปที่ไหนตรวจเลือดคนลังเขาเลยแปดสิเอร์เซ็นเลือดบวกม่สารตกข้างในชีวิตบางคนรวยวายทำไมฉันเนือปลูกผักกินเองไม่ใช่สารพิษอะไรอาหารก็ทำอยู่กินเองทำไมมีเกิดเลือดบวกม่สารพิษตกข้างไม่เป็นเพราะอะไรฉันไม่ยอมแันไม่ปฏิบัติ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 เรก็ว่ pues, whales, basics, ่ไปป่ะต nah ่อไปต้องใช้ออกซิเจนติดตัวไปไปเท่าไหนหายเจ็บไป่ได้นี่แต่คาร์บอนมอนอกไซด์ใกล้อยู่กันยังไงต้องมานับหนึ่งจากเรานาหยุดสซบูดีหยุดกินเหล้าอย่าให้เขาใช่โรงการผิดปุดีผิดจุลาผิดอะไรที่มันเป็นสารอย่าหลอกลวงกัน